เดือนต่อมาวงดนตรีคณะจรูนรัตก็พร้อมที่จะออกงานในอำเภอรพรมบุรีได้มาว่าจ้างให้เป็นเล่นในงานศพของตะแป๊ะเตียวซึ่งเป็นโยมบิดาของสมพันธ์ตรงวัดพุทธารามเป็นการรับงานครั้งแรกและเจ้าภาพจ้างติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดคืนคือตั้งแต่สวดพระอภิธรรมคืนแรกไปจนถึงวันบรรจุศพเข้าห่วงซุย หลังจากสวดพระอภิธรรมครบเจ็ดคืนแล้วในช่วงกลางวันมีทาบุญถวายพัฒหานเพนแดดพระสงฆ์ตลอดเจ็ดวันวงดนตรีจึงต้องทำหน้าที่บรรเลงทั้งกลางวันและกลางคืนงานศพตาแปะเตียวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเนื่องจากสมพนันธ์ตรงเป็นพระภิกษุที่มีผู้เคารพนับถือมากท่านเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัและปฏิบัติ เคยไปเล่าเรียนปริยัติมาจากบางกอกช่วงที่หมิยมบิดาไปอยู่ที่วัดยาณวาเพราะถูกตะแปะเตียวบังคับให้ศึกส่วนด้านการปฏิบัตินั้นท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรตะแปะเตียวบิดาของท่านมีอาชีพข่าหมูขายและต้องการให้ท่านสืบทอดอาชีพนี้แต่ท่านไม่ต้องการทาบาป จึงหนีไปบวชเป็นเนนอยู่กับสมพันธ์กลางที่วัดพุทธารามแต่แปะได้ตามไปรังควานจะให้ลูกชายศึกออกมาช่วยขายหมูสมมาเนนตรงจึงหนีไปอยู่วัดโบสถ์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพุทธารามโดยมีแม่น้าเจ้าพระยากั้นกลางสมมาเนนตรงอยู่ที่วัดโบสถ์กระทั่งอายุครบบวชสมพันธ์กรอดแห่งวัดโบสถ์จึงได้ทาพิธีอุปสมบทให้ ต่อมาตะแป๊ะได้จ้างชายชะกันสองคนมาจะให้ทำร้ายพระลูกชายหากว่าท่านไม่ยอมศึกภิกษุตรงจึงต้องหนีไปอยู่ที่บางเกาะเพื่อไม่ให้บิดาตามไปรังควานได้ท่านไปอยู่วัดยานวาเจ็ปีได้ศึกษาปริยัติจนแตกฉานเมื่อกลับมาสมพานวัดพุทธารามมรณภาพท่านจึงได้เป็นสมพานแทนเมื่อสองปีก่อน ตะแปะเตียวได้ขอร้องให้ท่านสมพันศึกบังเอิญสมพันตรงได้รักใคร่ชอบพอกับนางสาวสายทองลูกสาวในอำเภอพรมบุรีจึงตัดสินใจที่จะลาศิกขาเพื่อมาแต่งงานอยู่กินกับคนรักท่านได้พูดกับโยมบิดาว่าออกพรรษาจะศึกหรือเวลาอีกสามวันก็จะออกพรรษาตะแปะก็มาเป็นลมตายเสยก่อนนายอำเภอจึงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพงานศพ ดูเห็นว่าสมพันธ์ตรงกำลังจะมาเป็นบุตรเขยของตนงานสวดพระอภิธรรมศพตะแปะในคืนแรกผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมีคนมาฟังสวดแน่นสาลาเพราะทั้งสมพันธ์ตรงและในอำเภอต่างเป็นผู้ที่ชาวบ้านนับหน้าถือตาแม้ตะแปะเตียวจะเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งตำบลแต่พวกเขาก็เห็นแก่สมพนันธ์ตง จึงพากันมาช่วยงานอย่างคับคั่งดนตรีเขา้าบรรเล็งได้ไพเราะเหลือเกินหัวหน้าวงก็รูปหล่อหน้าตาเหมือนพระเอกลิเกยังไงก็อย่างนั้นสตรีผู้หนึ่งพูดขึ้นนี่ถ้าเป็นพระเอกลิเกแกคงตามไปเป็นแม่ยกละสิสามีนางขัดคอได้รู้ว่าพัญญา ช, ชอบไปหลงพระเอกลิเกถึงขนาดยักยอกเงินทองไปให้กัน ไม่หรอกนะข่าสัญญาว่าเลิกก็ต้องเลิกไม่อยากถูกแกซ้อมอีกทำรากับข้าเป็นวัวเป็นควายพัญยาพอยังจำรถมือรถเท้าของสามีได้ไม่มีวันลืมเลือนขอรู้สึกคุน้นหน้าพ่อหนุ่มคนนี้จังแกลองนึกสิว่าเป็นลูกเต่าเราใครสามีเปลี่ยนเรื่องพูดเห็นแค่ว่าเป็นหลานชายใหญ่จังคงจะเป็นลูกไม่เลี่ยม หรือลูกแมจวนนี่แหละขอนึกออกแล้วลูกแม่จวนไงละ่ะผัวแมจวนชื่อทิศพองเป็นลูกชายหลวงธาราพรหนุ่มคนนี้คงได้เชื้อสายมาจากปู่ถึงตีรนาดเก่งปานนั้นข้าจำได้แล้วลูกชายทิศพองนั่นเองผู้คนที่กําลังเดินกลับบ้านต่างพากันกล่าวขวัญถึงวงดนตรีคณะใหม่พวกที่กําลังจะมีงานกลนจุกลูกหรืองานแต่ง หมายมั่นว่าจะจ้างดนตรีคณะนี้ไปบรนเลงยิ่งหัวหน้าวงเป็นหลานชายของหลวงทาราความนิยมชมชอบก็มีมากขึ้นถึงหากเขาคิดราคาค่าจ้างแพงลิบลี่วก็จะกัดฟันสู้ถ้าเงินมีไม่พอก็จะขอหยิบยืมจากญาติมิตรแล้วค่อยหามาใช้คืนในภายหลังคืนที่สองของการสวดพระอภิธรรมศพตะแปะเตียว เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงพญาโศกจบลงและพระกำลังจะเริ่มสวดก็มีเสียงกุกกักดังมาจากโลงศพผู้คนต่างมองหน้ากันเหมือนจะถามว่านั่นเสียงอะไรไม่มีผู้ใดให้คำตอบเพราะต่างพากันคิดว่าผีหลอกคนเป็นหัวหน้าวงดนตรีมองไปที่โลงศพอย่างหวัดหวา ด, วาดคิดปลอบใจตัวเองว่า ผีไม่มีในโลกแต่เมื่อเสียงนั้นยังดังอยู่อีกก็ใจฝ่อหันไปมองท่านสมภารเหมือนจะขอคำอธิบายสมภารจึงบอกพระที่นั่งติด ก, กับท่านว่าลองปีนขึ้นไปดูสิเพื่อนูหรือแมวมันตกลงไปในนั้นแล้วขึ้นมาไม่ได้พระรูปนั้นมีท่าทางลังเลและจึงหันไปบอกพระอีกรูปหนึ่งว่า ท่านไปดีกว่าผมปีนไม่ค่อยเก่งกลัวจะพลัดตกลงมาแข้งขาหักท่านไม่ได้กลัวตกหรอกผมรู้ว่าท่านกลัวผีแต่ไม่เป็นไรผมจะไปดูเองพูดจบก็ลุกขึ้นเดินไปยังโลงศพปีนขึ้นไปยกฝาโลงออกสักครู่หนึ่งจึงตะโกนลงมาว่าคนตายฟื้นแล้วคนตายฟื้นแล้วได้ยินดังนั้นสมพันธ์ตรง จึงลุกจากอาสนะปีนขึ้นไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระลูกวัดบอกจึงสั่งให้คนมาช่วยกันยกโลงศพลงร่างของตะแปะถูกหามออกจากโลงมาวางบนเสือ่อแกมีท่าทางอิดโรยและหวาดกลัวกรอกตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าท่านสมภารพยายามจะพูดด้วย ว่าไม่มีสิ่งเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากซี่เสียวคู่นั้นนายอำเภอซึ่งนั่งติดกับบุตรสาวจึงสั่งให้คนไปตามหมอมาบังเอิญแพทย์ประจำตำบลก็มาฟังสวดอยู่ด้วยเขาขอตัวไปเอาร่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดแล้วกลับมาเยียวยาตะแปะนางสาวสายทองไปหาเข้าต้ม อ, อุ่นๆมาป้อนให้จนแกพอมีแรง แล้วจึงเล่าให้ทุกคนในที่นั้นฟังว่าแกไปตกนรกมาพยายมราชให้โอกาสกลับมาแก้ตัวโดยให้ถือศีลแปดตลอดชีวิตเรื่องราวที่ตะแป๊ดเดียวเล่าทำให้คนฟังนั่งนิ่งเหมือนถูกมนกต์สะกดคนที่ไม่อยากเชื่อก็จำต้องเชื่อเพราะเป็นเรื่องประหลาดที่คนตายไปสองวันกับหนึ่งคืนจะกลับฟื้นคืนชีวิตมาอีก หากไม่ได้มารู้มาเห็นด้วยตัวเองก็คงจะไม่เชื่อแต่แปะเล่าจบก็ขอร้องพระลูกชายไม่ให้ศึกเพราะพญยา ย, ยมราชสั่งให้แกมาปรนิบัติรับใช้สมพา์ตรงเพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำกับท่านตั้งแต่ท่านเป็นสามเณรกระทั่งเป็นพระภิกษุแต่แปะเตียวไม่ชื่อเรื่องนรกสวรรค์และบาปบุญคุณโทษมาก่อน ครั้นได้ประสบกับตัวเองก็เชื่อสนิทแน่นแฟนแกอ้อนวอนจนกระทั่งลูกชายยอมรับปากว่าจะไม่ศึกหัวหน้าวงดนตรีคณะจะรุนรัฐรู้สึกสับสนเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ตะแป๊ะเล่าครั้นจะว่าแกแกล้งกุเรื่องราวขึ้นมาหลอกชาวบ้านเขาก็สงสัยอีกว่าแกจะทำไปทาไมและที่ไม่น่าเป็นไปได้คือ แกจะทนอยู่ในโรงแคบๆในลักษณะถูกมัดมือมัดเท้าด้วยด้ายสายสินและถูกปิดตาด้วยเทียนไขเป็นเวลาตั้งสองวันกับหนึ่งคืนได้อย่างไรเห็นผู้คนเบนจุดสนใจไปที่ตะแปะแทนที่จะสนใจวงดนตรีของเขาเหมือนเช่นคืนวานชายหนุ่มจึงหาวิธีเรียกร้องความสนใจด้วยการลุกขึ้นยืนประกาศว่า พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักกระผมนายเจริญจรุนรัตหัวหน้าวงดนตรีคณะจรุนรัตขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องทราบทุ ก, กันว่างานนี้เป็นงานแรกที่คณะของเรามาบรรเลงท่านนายอำเภอได้ว่าจ้างกระผมให้มาเล่นตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่เมื่อเหตุการณ์มากลับตาลปัดเช่นนี้กระผมจึงไม่ขอรับค่าจ้างครับ ขอทำบุญกับท่านสมพานขอกุศลผลบุญจงโดนบันดาลให้คณะจรูนรัตจงเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทิศทั้งสี่ขอบคุณครับสิ้นเสียงประกาศของเขาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการแต่แป๊ะเตียวผู้ไม่เคยมีดนตรีในหัวใจมาก่อนกลับพูดขึ้นว่าขอบใจหรือมากอาเตีย ถายังงัางอ้วกขอเพลงแขกโลกบูรีกับลาตีปาหลาับลาวช่วยเล่งห้อว้วฟางหน่อยสมพันธ์ตรงออกสงสัยว่าบิดารู้จักเพลงเหล่านี้ได้อย่างไรจึงถามโยมเตียรู้จักเพลงแขกโลกบูรีกับเพลงราตรีประดับดาวด้วยหรืออาตมาไม่ยักทราบมาก่อน อ้วใหม่รู้หลอกทางเพียงแต่อ้วนอยากฟังแกตอบซื่ อ, อเมื่อเพลงราตรีประดับดาวจบลงคนฟังก็ตบมือกันเกลียวงานศพจึงกลักลายเป็นงานรื่นเริงผู้คนต่างพากันขอเพลงและไม่ว่าจะขอเพลงอะไรมาทางวงก็เล่นได้ทุกเพลงกว่างานจะเลิกก็เป็นเวลาเกือบสองยามและคงจะเป็นได้ว่าบุญกุศล ให้ผลทันตาเห็นเพราะได้มีผู้มาติดต่อให้เข้าไปเล่นในงานต่างๆถึง20รายชายหนุ่มรู้สึกดีใจและคาดหวังว่าเขาจะต้องเจริญรุ่งเรืองในอาชีพที่ตนรักแม้จะดึกมากแล้วหากใหญ่ก็ยังไม่ยอมนอนเพราะความห่วงหลานชาย ครั้นเขากลับถึงบ้านจึงถามทำไมวันนี้เลิกดึกนักละ่ะไอ้หนูเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นสิครับยายทำไมยายยังไม่นอนล่ะครับถามอย่างอาทรขอห่วงพวกเองนะสิทำไมวันนี้ถึงเลิกดึกนักยายถามอีก ชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้บรรยายฟังและตั้งข้อสงสัยว่าไม่น่าเชื่อนะครับยายคนตายแล้วทำไมฟื้นขึ้นมาอีกได้ไม่น่าเชื่อนะครับยายคนตายแล้วทำไมฟื้นขึ้นมาอีกได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกไอ้หนูสมัยเมือ่อยายสาวสาว มีคนขังบานเขาออกลูกตายเพราะญาติพี่น้องจะเอาไปเผากลับฟื้นขึ้นมาตายไปตั้งสามวันยังฟื้นได้อีกรายหนึ่งก็แบบเดียวกันคือตายไปสามวันญาติก็เอาไปเผากลางคืน มาเขาฝันต่อว่าใหญเลยยาตเข้ามาเล่าให้ยายฟังว่าวิญญาณมาร้องห่มร้องหายบอกกูยังไม่ทันตายทำไมเอากูมาเผ า, ายหย่เล่าเรื่องที่เคยประสบพบเห็นสมัยที่ยังสาวผมว่าเขาไม่ได้ตายหรอกอาจจะแค่สลบไปอย่างไราตาแป๊ะนี่ก็เหมือนกัน ผมเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาคนตายแล้วจะไม่ฟื้นคืนชีพอีกหลานชายอ้างวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นยายไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แค่กอไก่ขอหไข่ยังไม่เคยเรียนเลยยายตอบง่ายๆชายหนุ่มจึงเปลี่ยนเรื่องคุยสงสารสมพาน์ท่านนะยาย กว่าจะตัดสินใจได้ผมเห็นท่านหน้าเครียดเที่ยวใจนึงก็รักเตียอีกใจก็รักสาวเป็นผมเห็นจะเลือกสาวแหละยายหลานชายแซงว่าเรื่องของเองแต่ท่านสมผานท่านเป็นคนกระตันอยู่นะยายเห็นมาตั้งแต่ดันเป็นเด็ก โยแม่ท่านชื่อเสกิมเป็นคนนิสยัยดีแต่ตะแปะไม่ไว้ทำบาปหยาบช้าสารพัดนี่ถ้าลูกชายไม่ได้บวชเป็นพระแกคงไม่ได้กลับขึ้นมาจากเมืองนรกทีนี้เอ็งเชื่อหรื อ, อยังละ่ะว่านารกนะ่ะมีจริง ยายถือโอกาสสั่งสอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีเอาเป็นว่าเมื่อไรที่ผมไปเห็นด้วยตาตัวเองค่อยเชื่อดีกว่าดึกมากแล้วยายเข้านอนเถอะประเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือสักหน่อยเ ด, ดื่นป่านนี้แล้วเองจะเขียนอะไรอีกผมกำลังแต่งบทลิเก น, นะครับยาย เรื่องนางออรพิมพกับเท้าปาจิตจะได้มีเรื่องใหม่ๆบ้างไม่งั้นลิเกเล่นกันแต่เรื่องสังทองและเรื่องลักษณาวงคนดูเข้าพากันเบื่อแย่ก็ดีแล้วเอ็งจะเขียนได้หรือเรื่องยาวนะไม่หลายบทหลายตอนด้วยเท้าปาจิตในชาติ ต, ตอต่อมาก็คือพระเวสสันดร น, นางออรพิมพ คือพระนางมัตสีซึ่งพอมาเป็นพระพุทธเจา้าพระนางมัตสีก็มาเป็นพระนางยะโสธราเป็นคู่เดียวในโลกที่ไม่เคยแยกจากกันไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็ต้องได้แต่งงานกันยายรู้เรื่องนี้ดีหรือครับ ก็พอรู้เอาอย่างนี้ถ้าเอ็งจำตอนไหนไม่ได้ก็ให้มาถามยายแล้วยายจะเล่าให้ฟังคนอายุใกล้เก้าสิบขันอาสาดีจังงั้นวันนี้ยายพักผ่อนก่อนเถอะผมจะเขียนสักตอนแล้วจึงค่อยนอนไว้ติดตอนไหนค่อยถามยายวันหลังดีไหมครับดีก็ดี งันยายไปนอนละหลานชายลุกขึ้นประคองผู้เป็นยายไปส่งยังห้องนอนแล้วจึงกลับมายังห้องของตนนางสาวจำแรงคืนห้องให้เขาแล้วย้ายไปนอนห้องเดียวกับยายเขาจึงมีห้องส่วนตัวสำหรับจะทำงานที่ตนรักนอกจากจะเป็นนักดนตรีฝีมือเอกแล้วชายหนุ่มยังหวังที่จะเป็นนักประพันธ์มีชื่อคนอย่างเขา ลองได้ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดช่วระยะเวลาเพียงปีเดียววงดนตรีคณะจรุนรัตก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเจ็ดคุ้งน้ำไม่มีใครไม่รู้จักชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เป็นหัวหน้าวง เพราะนอกจากจะมีฝีมือทางดนตรีไทยแล้วบทประพันธ์เรื่องนางอรพิมกับเท้าป่าจิตก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปวิกเกตแทบทุกคณะพากันมาขอลอกออกไปแสดงชายหนุ่มใช้เวลาเขียนอยู่สามเดือนเศษก็ได้หนึ่งร้อยบทพอดีรวบรวมไว้ได้ถึงยี่สิบเล่มสมุดไทยที่สำคัญคือคําไม่หวงใครมาขอลอก ก็ให้ลอกตามสบายบางรายก็จ่ายค่าเรื่องให้บ้างบางรายก็ไม่ได้จ่ายระยะหลังๆมานี้นางสาวจำแรงเริ่มจะติดเหล้าเวลาออกงานก็มักแอบไปดื่มเหล้าอยู่บ่อยๆน้องชายซึ่งเป็นหัวหน้าวงได้ตักเตือนหลายครั้งจนคร้านที่จะเตือน และเมื่อพี่สาวให้เหตุผลว่าการดื่มเหล้าของตนไม่ได้ทำให้เสียการงานน้องชายก็หยุดว่าไปโดยปริยายและที่เขาเถียงไม่ได้คือยิ่งได้ดื่มเหล้าฝีมือการเตีรนาดของพี่สาวก็ยิ่งมีความพาระร้อหากพูดกันอย่างยุติธรรมหล่อนเล่นได้ดีไม่แพ้เขาทีเดียว ถึงแก่ความตายเพราะเมาตกบ้านยายเสียใจอยู่หลายวันเพราะสงสารและรักลูกสาวคนโตมากกว่าคนอื่นหนุ่มเจริญจึงได้โอกาสสอนพี่สาวถ้าเองไม่เลิกดื่มเหล้าอีกหน่อยเองก็จะต้องตายอย่างป้าเรียนก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนางสาวจำแหลงว่าหล่อนติดเหล้าจนเลิกไม่ได้ ยอมตายซะยังดีกว่าไม่ได้กินเหล้าน้องชายฟังแล้วได้แต่นึกสลดใจสงสารป้าเหรียญก็สงสารถึงแก่จะขี้เหล้าเมายาเขาก็ยังนึกถึงความดีของแกสมัยที่เขาเป็นเด็กเวลาแม่โจรไปตลาดมักจะอุ้มเขากระเตงกระเตงไปฝากไว้กับป้าเหรียญครั้งหนึ่งเขาเกิดหิวนมจึงร้องไห้จะขอกินนมป้าเหรียญ ป้าแก่ไม่มีลูกจึงไม่มีน้ำนมให้เข้ากินครั้นจะบดข้าวกับกล้วยให้กินก็ไม่มีถ้วยและไม้สำหรับบดเขายังจําได้ติดตาป่าเหรียเอาเข้าวกับกล้วยใส่ปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดแล้วคายออกมาป้อนใส่ปากเขาความเป็นเด็กเขาจึงกินโดยไม่รังเกียจมาบัดนี้ถึงจะหิวสักปานใด เขาก็จะไม่ยอมกินข้าวคลุกน้ําลายป้าเหรียญเป็นอันขาดแม่จวนเริ่มป่วยกระสอกกระแสะทั้งที่ยายยังดูแข็งแรงวันหนึ่งหนุ่มเจริญถูกเรียกตัวให้ไปเยี่ยมมารดาแม่จวนนอนอยู่บนเสื่อจันทบูรณ์ครั้นเห็นเขาก็ถามว่าไอ้หนู ปีนี้เอ็งอายุเท่าไรแล้วยี่สิบเอ็ดครับแม่เขาตอบงั้นหรือแต่เช่นนั้นก็บวชให้แม่สักพรรษาเถอะขอให้แม่ได้เห็นชายผ่าหลืองก่อนตายก็ยังดีผมไม่บวชหรอกครับแม่ผมเกลียดพระชายหนุ่มบอกมารดาภาพหลวงตาวัตโนดหุดขึ้นในความคิด แม่ขอร้องเถอะนะนึกว่าบวชทดแทนข้าวป่อนน้ำนงแม่แค่พรรษาเดียวเท่านั้นชายหนุ่มใช้ความคิดอย่างหนักหากไม่บวชก็จะต้องได้ชื่อว่าเนรคุณอีกประการหนึ่งคนอายุครบบวชเขาก็บวชกันคนละพรรษาตามประเพณีนี่เขาก็อายุเลยบวชมาหนึ่งปีแล้วในที่สุดจึงบอกมารดาว่าตกลงครับแม่ บวชก็บวชแค่พรรษาเดียวเท่านั้นนะครับฟังถ้อยคำจากปากลูกชายแม่จวนปลาบปลื้มจนน้ำตาไหล